ภาพนี้เราจะเห็นเปียงไม้เท้าอันหนึ่งแค่นั้นเองไม้เท้าก็มีทั่วไปส่วนมากหลวงพ่อไปต่างประเทศสิ่งที่ติดไม้ติดมือมาก็คือไม้เท้าเพราะมันชอบไม้เท้ายังไงก็บอกไม่ถูกนอกจากไม้เท้าแล้วก็มีประคำ ติดไม้ติดมือมาสองอย่างแค่นี้โดยส่วนมากบางคนมาเห็นไม้เท้าหลวงพ่อพ่อโ อ, โอหลวงพ่อไม้เท้าเยอะขอจากอันเถอะบอกว่าไม่ได้ไม้เท้าฉันฉันจะทำพิพิธภัณฑ์ไม้เท้าต่อไปนั่นก็เลยจะมีแต่ไม้เท้าไอ้ที่เอาไปไว้ในวิหารนะั้นมันยังน้อยไป ที่กุเติก็ยังมีอยู่ไม้เท้านะเห็นความสำคัญของไม้เท้าเพราะว่ามีพราหมณ์คนหนึง่งในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาลมีลูกเจ็ดคนลูกเจ็ดคนก็แต่งงานกันไปหมดเป็นยังไงไม่มีใครเลี้ยงเลยจริง เหลือพ่ออยู่คนเดียวแม่ก็ตายไปเหลือพ่อคนเดียวทนี้ปอไป อ, อยู่บ้านนี้เออพ่ออยู่แต่บ้านนี้แหละทำไมไม่ไปบ้านโน้นบ้าง อ, ะอ่ะไปบ้านโน้นพอไปบ้านโน้อนอีกบ้านโ น, น้โอ้ยพ่อไม่รู้เลยว่ายังมีลูกอีกจังหลายคน ทำไมพ่อประจําอยู่แต่ที่นี้เอาย้ายอไปอีกเจ็ดคนลูกเจ็ดคนย้ายไปย้ายมาย้ายมาย้ายไปอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะอยู่ที่ไหนดีนี่ลูกมากเกินไปก็ไม่ดี สลักที่ไม้เท้าว่าไม้เท้ายัางดีกว่าลูกอักตัญยูใช่ อ, อีกนี่พระพุทธเจ้าขอไปพระพุทธเจ้าท่า น, นเขียนว่าไม้เท้ายัางดีกว่าลูกอักตัญยูใช่ อ, อีกเกินลูกที่ไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ก็สู้ไม้เท้าไม่ได้ เพราะไม้เท้านี่คั้มยันก็ได้ที่ลุ่มก็ได้ที่โดนก็ได้ไม้เท้านี่มีประโยชน์มากทีนี้ตาพรามคนนี้ก็ปล่อยในที่ต่างๆคนพอเห็นไม้เท้าก็อ่านโอ้ตาคนนี้มีไม้เท้าและที่ไม้เท้าก็มีสุภา ษ, ษิตว่าไม้เท้ายังดีกว่าลูกอากาศันยูใช่อีก อยู่มาอยู่มาลูกก็อายเขาลูกทั้งเจ็ดคนนั่นแหละอายเขาอายเขาก็เลยได้รับเลี้ยงพ่อกันต่อไปไม่อย่างนั้นก็กลัวว่าพ่อมาอยู่นานนี้เปลืองข้าวนี่แครนไหมกับพ่อกับแม่ดัานั้นไม่เท้าจึงดีกว่าคนที่อากตันอยู่ ไม้เท้านี้ใช่ว่าไม้เท้าสามสิบทีเป็นไม้ที่ใช้ตีผู้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความตั้งใจแน่วแน่และขับไล่ความง่วงน้าเป็นยังไงพระอาจารย์ก็ น, นั่งนั่งแล้วให้ลูกศสด็จนั่งสมาธิ ต่อหน้ายี่สบสามสิบคนสี่สิบคนนั่งขา้างหน้านั่งธรรมทิคนไหนง่วงนอนโดนไม้เท้าสิบทีคนไหนง่วงนอนโดนไม้เท้าสิบทีจากนั้นอา่าก็ไปสามสิบไม้เท้านี้จริงๆว่าไม้เท้าสามสิบนี่เรื่องของไม้เท้า เราจะได้ขับไล่ความม่วงออกไปอันนี้ในญี่ปุ่นนะนก็มีอีกมีคนหนึ่งแค่กว่าหัวดือ้ออยากจะลองดีก็ข้าไปหาพระอาจารย์ใหญ่ในวัดหนึ่งหลวงพ่อสวรรค์มีจริงไหม นรกมีจริงไหมเอ่ก hey, ล้าไปถามนารกมีจริงไหมโดนไม้เทา้าตีจริงๆทีนี้ไม่ใช่ตีเล่นๆพอตีเสร็จแล้วเจบโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยพอแล้วพอแล้วรู้จักแล้วยังนรกรู้จักแล้วครับนรกเสร็จแล้วเป็นยังไงกราบทีนี้กราบท่านโวเครู้จักสวรรค์แล้วยัง นี่แหละคือสวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจอยากจะลองดีโดนไม้เท้าไม่ถึงสามสิบโดนสองสามทีก็วิ่งไม่ทันเลยเห็นไหมนี่แหละคือตอนไหนที่โกรธขึ้นมาตอนนั้นแหละนรกมาแล้วแต่ถ้าตอนไหนใจบุญสุนทานมีศรัทธา ตอนนั้นสวรรค์มาแล้วสวรรค์นใน อ, อกนรกในใจไม่ต้องไปที่ไหนให้มันไกลพระนิพพานก็อยู่ที่จิตนี้เช่นเดียวกัน เรามองเห็นนี้คือกระบ u o y กระบวยสําหรับที่ตักฐานก็เคยว่าเมื่อก่อนเขาหุงข้าวกับฟืนในหุงกับฐานพอเสร็จแล้วก็ใช้กระบวยนี้ตักฐานนี่ไม่ทําหน้าที่อย่างเดียวสําหรับตักทานแล้วก็สําหรับต้มน้ํา ในพิธีชงชาเอ๊ะกระโบยอันเดียวกันนี่ไงซึ่งต้องผ่านน้ําเย็นต้องผ่านน้ําร้อนกลับไปกลับมาที่ตักทานตักทานไม่มีจิตใดผ่านนรกของความร้อนผ่านความเย็นโดยไม่ต้องทุกข์ตราบที่จิตเป็นอิสระจากการคิด ก็จะไม่มีความเจ็บปวดและความทุกข์ได้เลย ถ้าพวกคุณยังไม่หวงหงอกพวกคุณยังไม่ต้องพูดเรื่องความว่างเพเรื่องความว่างเป็นเรื่องที่จะต้องเห็นอนิจจังมาก่อนเห็นทุกขังมาก่อนแล้วเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน เลยเห็นว่างจากตัวตนฉันั้นต้องปฏิบัติกันถึงหัวงอมันจึงจะรู้ได้นั่นคือความว่างคือความว่างที่นี้พระอราหันต์ที่หนุ่มๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยมีเหมือนกันแต่ประสบการณ์ของท่าน ยังมีน้อยกว่าพระอรหันต์ที่มีอายุมากที่ปู๋หัวงอกนั่นคือท่านผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มามากก็เหมือนกับว่าที่ตักทานหรือกระบวยอันนี้ฉะนั้นเราทุกคนอย่าไปดูถูกกระบวยกระบวยนี่ผ่านควยมาก็ได้ผ่านน้ำมาก็ได้เอามาชงชาก็ได้ ไ, ได้ทั้งนั้นเลย นี่คือประสบการณ์ของกระบวยและก็ประสบการณ์ของเราก็คือจิตที่ความทุกข์ก็ผ่านความสุข ก, ก็ผ่านอะไรก็ผ่านอทีหลังมันก็เฉยๆเลยไม่กลัวความลําบากไม่จะยกตัวของพ่อมาอยู่ที่วัดนี้มันก็ผ่านผ่านผ่านผ่านผาน่ผา น, นเยอะแยะเต็มไปหมดอุปสรรคก็ผ่านความสบายก็ผ่าน ผ่านมามากมายกายกองจนพูดไม่ไหวนี่ก็คือจิตที่เป็นกัมด้วยกับด้วยกับด้วยสำหรับตักทานนั่นเอง เซนก็นี่แหละนั่งสมาธิมานปฏิบัติเซนแม้แต่มานที่เต็มไปด้วยความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิเมื่อเปลี่ยนความเห็นที่ไม่ถูกต้องและทุ่มเทให้กับการปฏิบัติก็สามารถที่จะกลายเป็นพุทธะได้เซนเชื่อในพลังแห่ง ช้างม้าวัวควายก็มีพลังกายคนก็มีพลังกายสองพลังจิตพลังจิตเมื่อเราปฏิบัติจนเกิดพลังคือฌานนั่นเองพลังแห่งฌานพลังแห่งฌานเอ็นี้หลวงพอว่อทวนเลยว่า พระหลายรูปที่ท่านปฏิบัติเราก็ทําเหรียญทําเหรียญแล้วก็เอามาแขวนคอพระต้องอาิปเศษเศษเศษเศษเศษไปข้าวพิธีเศษใส่พลังเข้าไปในนั้นพอเสร็จ mm hmm. แล้วเราก็เอามาแขวนพาแขวนเพราะเราเชื่อพราะเราเชื่อก็ทําให้จิตของเรามีพลัง เช่นว่าเราเดินผ่านป่าช้าอย่างนี้มือก็เลยเอาไปกรมที่เหรียญที่เราห้อยคอนั่นแหละนั่นคือพลังพลังแห่งความเชื่อพลังแห่งความเชื่อทีอนี้หนึ่งพลังกายมีพลังกายอย่างเดียวนะ่ะมันไม่ได้ช้างก็มีพลังกายมา้าวัวควายมีพลังกายทั้งนั้น แต่เสร็จแล้วสมองมันเล็กสู้คนไม่ได้นี่คนเองถ้ามีแต่สมองไม่มีหัวคิดก็เลยทำอะไรไม่ได้เหมือนกันมีแต่แบกแบกหามหามหามหามแบกๆอยู่อย่างนั้นอย่างนี้คือพลังกายอีนี้ผู้ที่ฝึกควบจิตควบจิตควบจิตควบจิต พยายามมานี่มานคนนี้เขาก็ฝึกจิตฝึกจิตเล่นอะไรเล่นคุณใสนี่เล่นคุณใสคุณใส่ ใ, สในใจพลังจิตทั้งนั้นเลยอีนนี้ถ้าหากว่าคนที่ทำคุณใสแล้วก็เอาไปทำกับผู้อื่นซึ่งผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมคุณใสไม่สามารถที่จะเข้าได้ เพราะว่าคุณใสนะ่ใช้พลังจิตในนี้พลังของหลวงพ่อทวดก็ดีพลังของพระรูปอื่นๆก็ดีที่เป็นพระอระหรันต์ท่านมีพลังปัญญาพลังกายพลังจิตพลังปัญญาฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติทำทาให้เกิดพลังจิตก็คือสมาธิหรือสมถาะ พออยู่ที่ยอดของสมถะคือฌานและเราก็ยกฌานยกจิตที่เป็นฌานขึ้นสู่วิปัสสนานั่นคือยกจิตขึ้นสู่ปัญญา ท่นมีพลังจิตฝึกจนมีพลังจิตพอนั่งทางหน่อยเห็นหมดอ้าวเอ า, วาคนญาติคนนี้ตายก็ไปถามไปถามทํำยังไงเอากะโหลกศีรษะมาที่เพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้เผาในประเทศอินเดียน่นเขาฝังหรือก็เอาไปเทินเอาไวา้เขาเอาไปเอากะโหลกศีรษะ ออกมาถึงก็เคาะเคาะเคาะเคาะเสร็จแล้วรู้เลยว่าคนนี้ไปนรกคนนี้ไปสวรรค์คนนี้เป็นสัตว์ดิบชาตคนนี้เป็นม้าเป็นวัวเป็นควายไปเกิดเป็นวัวเป็นควายนะเรียวกว่ามีพลังมีพลังกระเจียวเคาะไปทั่วไปเลยคนก็เชื่อไอ้อย่างนี้แหละเขาชอบเชื่อกันยีนี้ไปไปมา ข้าไปในวัดเชตวันที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่เอาข้าไปถึงเป็นยังไงก็อยากจะเคาะอีกนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ให้พระพระที่เป็นพระอรหันต์ที่ท่านเสียชีวิตแล้วอเอากะโหลกศีรษะของท่านให้เคาะก็เลยเคาะเคาะเคาะไม่รู้เลย ไม่รู้ไปนรกหรือว่าไปสวรรค์ไม่รู้เลยนี่เรียกว่าเพราะท่านนิพพานท่านกิเลส ข, ของท่านดับแล้วพระองค์นั้นอน า, นายคนนั้นที่ว่าวังคีสักเสร็จแล้วว่าเอ้าว่าไม่รู้จะทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านรู้คนเดินไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ทีนี้อยากจะเรียนวิชานั้น ก็อยากเรียนวิชานั้นพร<ม>ะพุทธเจ้าตรัสว่าเธอต้องบวชถ้าบวชได้ก็เรียนวิชานี้<ม>ก็เลยให้บวชวังกีสาบวชบวชแล้วก็ให้ปฏิบัติธรรมให้ทำสมถาธรทำวิปัสสนาปฏิบัติตามอริยมรรคมนวงแปดทีหลังก็เลยเป็นพระอระหันต์เลยทีนี้จบเห็นไหมนี่คือยึดมั่นถือมั่น ในเรื่องของพลงังจิตแต่ไม่รู้พลังปัญญาพลังปัญญาสามารถที่จะชนะกิเลสทั้ทารลายกิเลสโลภะราคะโทสะโมหะหมดไปพอเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยอยู่สงบเย็น ใส่บาทเห็นไหมแต่งโมนั่นแหละทีนี้พระในเมืองไทยอท่านมีบาทมีบาทได้ใส่แต่งโมก็ไปทั้งลูกก็ไม่ต้องเอาอะไรกันแล้ววันนั้นข้าวขอ ง, ของก็ใส่ไม่ได้บางคนก็ใส่กล้วยหวีหนึ่งโอยพระก็ไม่ต้องขยับกันจบจบได้อย่างนั้นนี่ทีนี้ พระเ็นรูปนี้คือพระเซนจะไม่มีบาทแบบไปขอไม่มีภาชนะท่านได้แตง่งขอได้แต่งโมมากแต่งโมนั่นแหละมันกลมๆนี่คือสุญญาตาลุญญาตาท่านเห็นว่านี่มันเป็นสุญญาตาคือความว่างคือความว่างนี้เพื่อท่านบรรลุธรรม จะไม่มีความส น, นใจในลาบผู้ที่บรรลุธรรมแม้แต่ได้เต็โงโบมารู่งหนึ่งได้ทุเรียนมารู่หนึ่งได้อะไรมาเต็มหมดเลยนั่นไม่ดีใจไม่เสียใจเฉยเฉยเฉยเฉยรู้รู้อะไรรู้ว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุเนตาทั้งหมดเป็นขอบว่างว่างจากตัวตน ผู ก, กินอาหารก็ว่างการกลัวตนอาหารที่โยมใส่บาตรก็ว่างการกลัวตนโยมผู้ที่ใส่บาตรก็ว่างการกลัวตนตัวพระเองจิตพระเองก็ว่างการกลัวตนฉะนั้นเวลาใส่บาตรพระทางภาคใต้เมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เดีย๋ยวนี้พอก็ใส่บาตรเสร็จให้พร ยะถ า, าวาลิวาหาปูราปลิปูเดนี่ให้พรให้พรผู้ใส่าบาตไม่ใช่ไม่ใช่ก็ทําอย่างนั้นเมื่อเขใส่าบาตยาถาปัจจยังปวัตตมานังตาตูมัตเตเมเวตังท่องอยู่ในใจเิ่งราวเหล่านี้นี้เป็นสักแต่ว่าทาตามธรรมชาติเท่านั้นตามลำเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่นังนิด ญาติทางบินตาปาโตทาทุกภพุญจะโกจะปุกันโลสิ่งเหล่านี้คือบินตาบาตคือก้อนข้าวนั่นแหละและคนผู้บริโภคผู้ได้รับบินตาบาดนั้นทาตุมัตโกเป็นสัตว์แตว่าทา ต, ตามธรรมชาตินิจสัตโตไม่ได้เป็นสัตวว่านี่ย่างยืนนิจิโอไม่ได้เป็นชีวะเป็นบุรุษ บ, บุคคลสุญโยว่างเปล่าจากความหมายแหความเป็น กับโพปานายังปินตปาทโตจิคุชนิโยก็บินตบัด ท, ทั้งหมดนี้ไม่เป็นของหน้าเกลียดมาแต่เดิมอิมังคูเตกายังปัตตวาครันมาถัวเข้ากับกายเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วอติวิยะจิคุชนิโยช ย, ยติย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันพระว่าในาใจว่าในาใจถ้าไม่ว่าในาใจก็ทำปาก ข, ขมุบข ม, ขมิบขมุบขมิบว่าเบ า, บ า, บา นี่ก็ทำอย่างนั้นเดียวสมัยนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนให้พรโยมดังลั่นไปหมดเอาโยมก็คิดว่าโอ้โหได้บุญมหาศาลเลยหลวงพ่อไปบิณฑบาตมีโยมคนหนึ่งขเขาพูดกันว่าทำไม่หลวงพ่อไม่ให้พรหลวงพ่อเลยบอกให้ฟังบอกว่าโยมนี่พระจะต้องทำอย่างนี้สุ ญ, ญาตา ความว่างโยมที่ตักบาทก็ว่างพระก็ว่างอาหารก็ว่างว่างจากตัวตนทางนั้นพระตรองว่ายถาปัจจะยังไม่ใช่เป็น้งง่ายพอนอยู่อย่างนั้นเพี้ยนกันไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมได้จะไปปฏิบัติยังไงถ้าเพี้ยนอย่างนี้หลวงพ่อไม่เอาบอกว่าหลวงพ่อให้เหมือนการพรรวบยอดทีเดียวแล้วก็มาให้ที่วัดเลย ใครอยากจะลบรับพรก็ไปรับที่วัดแต่อันนี้หลวงพ่อทําหน้าที่หลวงพอ่อเห็นไหมนี่เมื่อพระเพี้ยนทำไมโยมจะไม่เพี้ยนะก็เลยเพียนกันไปหมดแล้เดี๋ยวนี้นี่เรื่องบินตบาตเรื่องบินตบาตเพราะฉะนั้นบินตาบาตก็คือก้อนข้าวก้อนข้าวหรืออาหารที่โยมมันใส่บาตรอันนี้ก็เคยบอก พระบอกเนรเจ้าว่าไม่ทันไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ท่องว่าสักระว่าธาตสักจะวทาธตุสักจะวทาตว่างจากตัวตนสักเะว่าธาตว่างจากตัวตนจักจะวทาจาตักจะวทาตว่างจากตัวตนให้ว่าอย่างนั้นผู้ที่ตักบาตรก็สักจะวทาตจากตัวตนผู้รับบาตรก็สักจะว่าธาตจากตัวตนอ่านที่ใส่บาตรก็สักจะว่าธาตจากตัวตนใครทํายังไงก็ทําไปเถอะ แต่หลวงพ่อไม่เอาหลวงพ่อทำอย่างนี้เพราะเราปฏิบัติกันมาอย่างนี้เห็นไหมไม่ใช่หรอพ่อพโยอมก็ใส่ตัวเรียนลูกหนึ่งดีใจเลยหรือว่าบางรูปเพราะว่าหลวงพ่อนี่ต้องไปบินดาบะไม่ได้เดินแล้วตอนนี้ขี่รถเบนซ์ือรดถสารเล็งรถประจำตำแหน่งเดินไม่ไหวถือบาทไม่ไหวเกตหลังแ่นั้นขี่รถสารเล้ง ขอกีนรถลาเลี้ยงไปไปถึงก็ต้องไปจอดที่หนึ่งให้คนขับไปซื้อของไปซื้อผักซื้ออะไรพวกนี้ทีนี้เป็นยังไงแม่ค้าก็มารุมกันนีกรุมกันใส่ใส่ใส่บางคนก็หบาทก็ใช้สิบบาทก็ใช้เออใช้ชกันไปเถอะใส่กันไปมีพระรูปหนึ่งไม่ต้องบอกว่าอยู่วัดไหนเดินก็เวียนไปเวียนมาก็เวียนไปเวียนไ ป, นไ ป, นไ ป, นไปก็เวียนมา ไม่มีใครใส่นี่แทนไหมหลวงพ่อนี่จะมีแต่ให้มีแต่ให้ให้อะไรหนังสือพิมพ์ใหม่ๆนี่เสร็จแล้วในวันพรุ่งนี้มาฤาษีนี่หลวงพ่อก็จะไปบิณฑบาตตามเดิมเอาหนังสือไปแจกแจกแจกแจกแจกแจกมันทุกบ้านเลยแจกทุกบ้านอ้าวพอแจกแผ่นซีดีหลวงพอ่อซีดีมันมีแต่ว่าทําไม่เป็น เอาอย่างนั้นนี่ทําไม่เป็นอีกนี่ลําบากของพ่อบอกว่าไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันโยมนี่หมดวิชาที่จะช่วยแล้วจะให้ควางซีดีเอาเปิดไม่เป็นบางคนก็ไม่มีซีดีไม่มีเครื่องซีดีนี่นั่นอยู่กันอย่างนี้เพราะนั้นหลวงพ่อทาหน้าที่ทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ที่สุดก็เป็นนานว่าเอา้า พอแล้วไม่เป็นไรพอแล้วเขาให้เราเราก็ให้เขาให้ให้ให้้ใ ห, ห้อยู่ได้กับการให้นี่คือชีวิตนะ่อยู่ได้กับการให้พร ะ, ระหา้ารูปวัด น, นี้โอ้ยอาหารเหลือเหลือนี่ขนาดสามรูปเลยยังเหลือหา้ารูปนี่มันขนาดไหนลองคิด ด, ดูฉะนั้นคนก็ศรัทธาศรัทธาพระปฏิบัติ ไม่ใช่ศรัทธาพระพูดเก่งศรัทธาพระที่ประจบสอบพอเก่งไม่ใช่ทีนี้อย่างกันในภาพนี้เห็นไหมฉันบอกว่าจะไม่มีความสนใจในลาบไม่สนใจในยศสรรเสริญความสะดวกสบายไม่ได้ไปสนใจก็เลยสบายเลยเห็นไหมนี่คือพระแท้ถ้าอย่างนี้ ที่ดีที่สุดของชีวิต mm. ก็ไม่ควรลืมว่าความตายเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้อะไรอะไร น, ไรนี่ชามข้าวเป็นสิ่งสําคัญ mm. เมื่อได้ใช้ mm. เมื่อไม่ได้ใช้ในตามที่จริงแนะชามข้าวที่ดูใกล้ๆกับบาดมากกว่าชามข้าวไม่ ถ้าหากว่าชามข้าวนั้นไม่ทำให้เป็นชามคือไม่กลวงที่ตรงกลางบาทก็ไม่กรวงตันทำหับทำห้องสร้างบ้านก็ไม่มีห้องตันไปหมดไม่ว่างอย่างนั้นเดียก ว, ว่าไม่ว่างชามข้าวก็จะต้องว่าง้ามมาอย่างนั้นตักข้าวใส่ไม่ได้ถ้วยแกงก็จะต้องว่าง ใส่เกมได้บ้านที่เราทำมีขวามีกำแพงมีอะไรนี่ว่างต้องเป็นบ้านที่ว่างเพราะไม่อย่างนั้นก็ข้าวไปอยู่ข้าไปอาศัยไม่ได้นี่ชามข้าวนี่มันจะต้องว่างมันจะต้องว่างห้องจะต้องว่างอะไรก็จะต้องว่างนี่แสดงถึงความว่างถึงความว่าง ถ้าเราทำตันหมดนกข้าวส่ที่ตรงไหนเนี่ยดันั้นจะต้องว่างเพราะฉะนั้นว่างตัวนี้ก็คือสติปัญญาทีนี้แม้ในช่วงที่ดีที่สุดของทีของชีวิตที่ไม่ควรลืมว่าความตายเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แังนั้นตอนที่เขาจะตายาเมื่อก็มีจิตว่างแล้ว มีจิตว่างเจอจิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาแล้วเขาก็ไม่กลัวตายเพราะจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดถือความเกิดไม่ยึดถือความแก่ไม่ยึดถือความเจ็บไม่ยึดถือความตายไม่ช้ากวสามคนไปลาหลวงพ่อให้ภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูหลวงพ่อ แค่มันเจ็บอยู่นี่มันเจ็บอยู่นี่ไม่ใจกูยังไงอ่ะภาวนาอยู่ว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูแต่มันเจ็บก็บอกมันว่ามันไม่ใช่กูแต่ว่ามึงอา่า น, นั่นเลยก็คือกิเลสเนี่ยแหละมันเป็นมึงอเห็นไหมทีนี้เราจะปฏิบัติยังไงเมื่อเราไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่เราเยกกิจที่เราไปยึดมัน่นถือมั่นร่างกายเนะี่ออกไปเสียพอเราแยก จิตออกจากร่างกายคือความย็บมั่นหรือมั่นมันก็เจ็บอยู่ที่ร่างกายแต่ว่าจิตไม่เจ็บนี่แหละคือความสำคัญของความว่างสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เราจะพาตัดเราจะเจ็บปวดขนาดไหนแยกจิตออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนา คือความเจ็บปวดตัวนั้นแล้วก็แยกจิตฉลาออกจากกิตงูแยกจิตออกจากธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติที่สงบเย็นแยกนี่อาศัยแยกเรามาเรียนเรื่องแยกเรามาศึกษาเรื่องแยกเรามาปฏิบัติเรื่องแยกเสร็จแล้วก็เป็นยังไงก็เป็นหน้าว่าความเจ็บก็อยู่ควายความความเจ็บ ความแก่ก็อยู่ที่ความแก่ความตายก็อยู่ที่ร่างกายนุ้นจิตไม่ได้เป็นอะไรเพราะจิตไม่มีตัวตนเลยมันจะเป็นอะไรนี่แหละคือว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างจากตัวตนอย่างนี้ เป็ดหนีไปเมื่อเป็ดบินหนีไปสิทธิร้องขึ้นว่านั่นเป็ดไปแล้วเป็ดไปแล้วอาจารย์เลยบิดจมูกรูปสิทธิรูปจิตกิกร้องขึ้นอีกครั้ ง, งเพราะเจ็บอาจารย์พูดว่าไม่มีเป็ดที่ไหนหนีไปไหนนี่เป็นหลักสําคัญของเซนติว่าไม่มีอะไรตั้งอยู่ ไม่มีอะไรดับไปนี่ยิ่งเป็ดมันก็ไม่มีการบินมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีแต่ถ้ามีจิตอะไรมันก็มีหมดทีนี้ลูกศิษคนนี้ขออาจารย์จับจมูกก็ก็บิดจมูกยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บเป็นยังไงนี่แหละเห็นไหมเพราะมีจิตมันจึงมีเป็ดและเป็ดมันก็บิน ตามที่จริงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปที่ตรงกลางก็ไม่มีเบื้องต้นก็ไม่มีเบื้องปลายก็ไม่มีว่างจากตัวตนนี่ว่างจากตัว ต, อ น, น, ว ต, วตอนอย่างนี้ทีนี้จะเห็นอีกเรื่องหนึ่งว่านยสำนักหน่งลูกจิต ส, สองคนนั่งทีเยังกันอยู่นั้น เทียงเรื่องอะไรมีคนเอาธงไปปักไว้ที่ยอดเขาอนนี้พอได้ลมไอตรงนั้นก็สะบัดปลิวทีเดียวพระก็นั่งมองกันนั่งมองธงนั่งมองไปมองมาก็คิดกันไปคิดกันมาเอ้ผมว่ามันเพราะมันมีลมนี่ตรงนี้มันจึงสะบัดอนี้อีกองนะว่า เพราะมันมีทงเพราะมันมีทงมันจึงสะบัดเถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันอยู่นั้นไอ้คนองหนึ่งก็ว่าเพราะมีลมไอ้องหนึ่งก็ว่าเพราะมีทงงราจาใหญ่ซึ่งเป็นพระอระหันต์แล้วท่านก็เดินผ่านไปเธอเถียงเรื่องอะไรกันอ๋อพระอาจารย์ช่วยตัดสินเรื่องนี้ที ที่ธงมันได้สะบัดก็ผมว่าเพราะมันมีธงแต่พระรูปโน้นท่านว่าเพราะมันมีลมท่านเลยบอกว่าคนทั้งสองคนนั่นแหละจะมีอะไรอยงันจะมีอะไ ร, ะะไรเพราะคุณมีจิตที่เห็นไหมเพราะคุณมีจิตเพราะคุณมีจิตแต่ธงมันก็มีไอ้ลมมันก็มีเพราะมีจิตแต่ถ้าจิตว่าง ถ้จิตมีแต่สติปัญญ า, าแล้วก็ละจิตนั้นออกไปเสียสลัดจิตทิ้งออกไปเสียอย่างนี้ท่านก็บอกเพราะคนมีจิตนั่นแหละทองมันก็มีลมก็มีนี่แหละเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มี เสิ่งนี้ดับสิ่นี้จึงดับวังตุกไม่ยงเพราะสิ่งนี้ดับสิ่นี้จึงดับเพราะจิตว่างเพราะจิตว่างในตาก็ว่างตาว่างในธงมันก็ว่างในลมมันก็ว่างมันก็ว่างหมดเพราะมีจิตนั่นเองเพราะจิตเป็นตัวผูมันก็เลยไม่ว่างสักอย่างงไม่ว่างได้สักนาทีหนึ่ง ได้ว้างเลยแต่ละวันแต่ละวันเพราะอาจิตมาเป็นกูเอาจิตมาเป็นกูแล้วอาวิชาเกิดเอาวิชาเกิดก็สังขารเกิดจิตที่เป็นตัวกูนะมันคิดคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นอ่าเสร็จแล้วก็ความคิดก็กูความรู้ก็กูนามรูปก็กูอายตนะก็กูปัจจาก็กูเวทนาก็กูกูหมดนี่เพราะมีจิต ความทุกข์มันจึงเกิดแต่ถ้าไม่มีจิตเกิดจิตว่างจิตว่างจากตัวตนก็เห็นจิตว่างจากตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ว่างหมดแล้วก็สบายดีจุดมันอยู่ที่ เส้นนี้จะมีหลายนิกายกำลังปลูกต้นสนเพื่อบอกเขตทางข้าวของวัดคำถามคือตอนนี้ได้ทำเขตทางข้าวัดแล้วจะทำอะไรต่อนี่คำถามว่าจะทำอะไรต่อจากนั้นท่านเลยเขียนป้ายวัดเลยนั่นที่เจออยู่นั่นป้ายวัดป้ายวัดเป็นอะไร วงกลมนัน่นน่ะคือสุญญตาสุญญาตาญญาตาเ<ะ>ชื่อว่าวัดอะไรวัดสุญญาตาวัดสุญญาตานี่เดี๋ยวนี้ถ้าเราไปปักป้ายที่ข้างหน้าเชื่อว่าวัดสุญญาตาน่ทาทํากลมกลมอย่างนี้คนผ่านมาโอ้ยหลวงพ่อบ้าแล้วบ้าแล้วเอาอะไรอย่างนั้นบ้าแล้วบ้าแล้วหลวงพ่อทําความว่าง เป็นปริศนาธรรมก็ไม่มีใครรู้ทาความว่างเอาทาประตูทาำข้าวนะ่ะพอขึ้นมาเห็นไหมพอขึ้นมานี่ต้องลอดก็ามาทางซุ้มประตูเอจะทํายังไงจุ่มประตูให้มันว่างๆหลว ง, งพ่อก็คิดคิดคิดคิดก็ทําทอย่างไรให้มันว่างให้มันว่างนี่ทําอย่างไร พยายามคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเดินไปบิณตบาตตอนหนุ่มๆตอนนั้นก็เดินไปบิณนบาตเดินไปบินตาบดผ่านช่างทำโบสถ์คนึ่งเชื่อว่าช่างแดงตอนนี้ก็ยังอยู่เล่นไก่ชนเก่งอันยังไงทีเนี้ยหลวงพ่อก็เลยไปเห็นเขาเอาไอ้ไอ้กระดานอ่ะไอ้พวกไกระดาน เป็นแผนนั่นเขาตัดเป็นรูปของพระพุทธรูปแล้วก็จะไปปั้นพระพุทธรูปก็หลวงพ่อเห็นอย่างนั้นแลโอ้นี่ไม่ยากของเราก็ทำชุ่มประตูแต่ว่าให้มีพระพุทธรูปพระพุทธรูปว่างเห็นไหมที่โยมโลอดเข้ามานั่นแหละที่เดินผ่านขึ้นมาขึ้นบันไดแล้วก็มาถึงสะพานขึ้นมาบนสะพานพระพุทธรูปว่างนี่มีใครสนใจกี่คน ยากหายากมากไม่มีใครสนใจเลยนี่เพราะคไม่รู้ว่าว่างนมันคืออะไรนั่นเนี่ยคือซุ้มประตูว่างซุมประตูว่างจากนั้นรอดไปรอดมาอยู่แต่ไม่รู้ว่านี่ซุ้มประตูว่างนี่เห็นไหมนี่น่ยคือความว่างความว่างแต่ถ้าคนจิตว่างปฏิบัติจนถึงจิตว่างพอมาถึงเห็นซุ้มประตูว่างจะงดใจเลย ยังโหนใจอูพระวัดนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่ถ้าคนฉลาดแต่ถ้าคนที่ไม่ฉลาดอันนั้นรอดไปก็รอดมารอดมาก็รอดไปได้แค่นั้นเองคือได้แค่รอด เพียงแต่เรารู้จิตของเราเองเราจะตัดสินใจปัญหาที่เผชิญ อ, อยู่ทุกอย่างได้ทันทีภาพนี้ดูหางก็แมวดูหน้ามันก็เสือนี่เสือหรือแมวกันแน่สงสัยว่าเสือหรือแมวกันแน่แต่เสร็จแล้วกลับไปดูจิต เป็นเสือก็ช่างหัวมันจะเป็นแมวก็ช่างหัวมันไม่เห็นมันเป็นอะไรอ น, นิจจังอนัตตาสุญญตาว่างจากตัวตนโน้นไปเห็นจิตว่างฉะนั้นเมื่อมีจิตว่างมีปัญหาอะไรขึ้นมาว่างหมดปัญหานั้นว่างหมดปัญหานั้นตั้งอยู่ไม่ได้บนจิตนั้น ความสงสัยนะั้นก็ลุดออกไปทันทีเลยจะเชิญเป็นเสือเป็นแมวก็ชังหัวมันแต่มันก็อนิจจังอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนี่จิตว่างสามารถที่จะแก้ปัญหาดังนั้นคนที่จิตว่างจะไม่มีโรคจิตจะไม่มีโรคประสาทแต่ถ้าคนที่จิตไม่ว่างก็รวังอาจจะเป็นโรคประสาทก็ได้ โรคประสาทที่มันเข้มข้นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะยึดมั่ น, นถือมันต่อไปก็เลยกลายเป็นโรคจิตแต่ถ้ามีจิตว่างมันไม่มายุ่งหรอกโรคทางกายก็ไปโรงพยาบาลโรคทางทประสาทก็ไปหาโรงพยาบาลประสาทแต่ถ้าโรคทางจิตโรคทางวิญญาณ ไปหาพระพุทธเจ้าไปหาที่ไหนพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรวกคลิว่าดูก่อนวักคลิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทอวิชชา สังขารวิญญาณงามรูปโ น, น้นไปจนถึงตัวทุกข์เสร็จแล้วเพราะดับบราคะโทสะโมหะไดา้ด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ได้มาจากการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองคป8เห็นอริยสัจสี่ดับราคะ ดับโทสะดับโมหะนั่นคือหน้าที่ของนิโรธก็ดับราคะโทสะโมหะอวิชชาดับเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับก็วิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะฉะนั้นปัญหาว่าเชื้อหรือเมฆว่าช่างหัวมันมันก็ธาตุทางนั้นแหละเป็นเรื่องของธาตุทางนั้นเลยก็เลยไม่เป็นปัญหา ปัญหาที่เป็นปัญหาก็เลยกลายเป็นไม่มีปัญหาคนที่ไม่มีปัญหาก็นอนหลับสบาย หนังสือเส้นที่หลวงพ่อเอามาจากของประเทศจีนนั้นจะมีรูปอันนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมอะไรกันเนี่ยก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรูปสี่เหลี่ยม เมื่อเราปฏิบัติตามอริยมรตมีองค์แปดเกิดสติปัญญาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเราไม่ตีความเลยไม่รู้จักวิจัยเลยถ้าไม่รู้จักวิจัยก็จบฉะนั้นต้องเป็นนักวิจัยต้องเป็นนักวิจัยกันทุกคน น, นี้วิจัยว่ายังไงปฏิบัติตามมริยมักมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องผ่านแล้วเราผ่านแล้วเห็นแล้วพอแล้วเห็นกับอะไรเนี่ยเห็นกับตาเนื้อจบเหมือนกันไม่จะเห็นกับตาเนื้อเห็นกับตาปัญญาเมื่อเราปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิ จำมาทิฏฐิสัมมาใิแปลว่าถูกต้องแปลว่าถูกต้องทิฏฐิแปลว่ามีความเห็นมีความเห็นอันถูกต้องทีนี้ความเห็นอันถูกต้องต้องเห็นด้วยตาปัญญาปฏิบัติตามอริยมรรคเมองแปด จ, จนเกิดมรคสมังคีจำมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจำมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโว สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิปฏิบัติจนกรมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่ามัคคสมังคีเมื่อเกิดมัคคสมังคีขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงทีนี้เห็นทีนี้เห็นอะไรเห็นอริยสัจสีมาแล้วสี่เหลี่ยมมาแล้วเห็นอริยสัจสีเห็นอริยสัจสีเห็นไหม ทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วนี่เห็นทุกเห็นทุกทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้ได้แล้วเห็นด้วยอะไรเนี่ยเห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญานั่นคือเลี่ยมหนึ่งเหไุใดเกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหไุใเกิดทุก เป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้งเนจะ้าก่อไปเหตุใดเกิดทุกขนะ์เป็นสิ่งที่เราควรศึกษาให้มันรู้ตามความเป็นจริงว่าไอ้ทุกข์นี่ไอ้ตัวทุกข์กนี่คือผลเฮได้เกิดทุกขนะ์เนี่ยมันคือตัวเหตุนั่นมันคือตัวเหตุนที่เราเรียกภาษาของเราว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอ มันจุดและแต่เหตุปัจจัยทำดีได้ดีทำชั่วดาชั่วนะปัจจัยเน่ะมันเป็นผลทีนี้มันเหตุมันเป็นอะไรจุดและแต่เหตุปัจจัยถ้าทำเหตุดีปัจจัยมันก็ดีถ้าทำเหตุไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีผลมันก็ออกมาไม่ดีจุดและแต่เหตุปัจจัยปัจจัยน่ะมันคือผลปัจจัยคือผล แคนั้นทุกนั่นแหละคือผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วน่ทุกนั่นแหละมันคือผลทีนี้ทำดีไปยึดดีอีกเอาเป็นทุกอีกทำชั่วนะ่ะมันเป็นทุกอยู่แล้วไปทำดีเข้าพอทำดีแล้วไปแบกดีเข้าอีกเป็นทุกอีกก็เลยไม่ผิดกันไม่ผิดกันกับชั่วทีนี้เพราะเป็นนักแบกเป็นนักยึดมั่นหรือมั่นแค่นั้นหนึ่งทุก เป็นริงที่เราควรจะรู้ว่าทุกนี่มันเป็นผลผลนี่มันมาจากเหตุอะไรไปทำอะไรข้าวไปพูดอะไรข้าวาไปจิดอะไรข้าวมันจึงออกมายึดมัน่นถือมัน่นนี่อริยสัจสี่สี่เหลี่ยมนี่ต้องเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกสองเหลี่ยมแล้วเหลี่ยมที่สามความดับทุกนี่ความดับทุก ความดับทุกข์ก็คือเหลี่ยมเด็งนี่คือนิโรธนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์แปลว่าดับดับดับความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับทุกข์เป็นสิ่งที่เราควรทำให้แจ้งความดับทุกข์เราทำให้แจ้งได้แล้วทีนี้ความดับทุกข์มันมาจากไหนก็มาจากเหตุออกนั่นแหละมีจากเหตุอีกนั่นแหละเพราะความดับทุกข์นิโรธมันเป็นผล อันนี้เหตุเรียมที่มันอยู่ทางขวามือน่ะเหตุนั้นก็คืออริยมรรคเมองแปดเห็นไหมเราต้องปฏิบัติตามอริยมรรคเมองแปดให้ถูกต้องแล้วก็ได้ผลออกมาคือมีโรคตัวดับเอาไปดับตัวไหนเอยเรียมที่หนึ่งที่อยู่ทางซ้ายมือข้างบนเลียมที่หนึ่งเกิดทุกเรียมที่สองอยู่ทางขวามือ หเหตุได้กิดทุกเลียมที่สามที่อยู่ข้างล่างอยู่ทางซ้ายมือมีโรดคือตัวดับตัวสาหรับที่จะดับทุกเลียมที่สี่ทางขวามือจุดท้ายคืออริยมรตในองค์แปและเราจะดับยังไงเอาเลียมที่สามนั่นเลียมที่สามมาดูดิเอาเลียงที่สามไปดับเหตได้เกิดทุก ก็คือเหลี่ยมที่สองเห็นไหมเอาเหลี่ยมที่สามไปดับเหลี่ยมที่สองนั่นคือเหตุให้เกิดทุกข์เอาเนรโรดนี่แหละไปดับที่เหตุมันไม่ใช่ไปดับที่ผลผลคือตัวทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์อยู่เหลี่ยมที่สองฉนั้นเอาเหลี่ยมที่สามไปดับเหลี่ยมที่สองพอเอาเหลี่ยมที่สามไปดับเหลี่ยมที่สอง ไอ้เรียมที่ไหนมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เห็นไหมไอ้ทุกมันก็ดับก็เราดับเหตุมันอาดาเบได้เกิดทุกไอ้ตัวทุกเน่ยมันก็ดับนี่ทีนี้ไอ้ตัวดับเราเอามาจากหน่อยเนี่ยไม่ใช่ไปซื้อได้ตัวดับนี้ต้องปฏิบัติตามอริยมรมีองแปดนั่นคือเลียมเลียมที่สี่เรียมที่สก็คืออริยมรมีองแปด ฉะนั้นนี่คือสีเหลี่ยมทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกเป็นสิ่งที่เราควรกำลังรู้ทุกเรากาหนดรู้ได้แล้วนี่ต้องวิจัยกันแล้วต้องวิจัยแล้วแต่เป็นนักวิจัยทุกคนเอได้เกิดทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอได้เกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละควรละเสีย ให้เกิดหเดหตุได้เกิดทุกเป็นสิ่งที่เราควรละเสียนี่เลี่ยมที่สองความดับทุกนิโรธเป็นอย่างนี้อย่างนี้นิโรธเป็นสิ่งที่เราควรทําให้แจ้ง น, นิโรธเลี่ยมที่สามเราทําให้แจ้งได้แล้วนี่ผลผลทีนี้ผลมันก็มาจากเหตุมาจากเหตุก็เลี่ยมที่สี่อริยมรร อาเรียมที่สี่อเรียมักเป็นอย่างนี้อย่างนี้จัมมาคิดผิความเห็นอันถูกต้องจัมมาสังกับโฟการดำรีอันถูกต้องจัมมาวาจามีการพูดจาถูกต้องจัมมากัรมกรรมมันโตมีการประกอบอาชีพถูกต้องมีการประกอบการงานถูกต้องจัมมาอาชีวเลี้ยงขี้ถูกต้องจัมมาวาญโมมีความเพียนถูกต้อง ธรรมาสติมีสติถูกต้องธรรมาสมาธิมีสมาธิถูกต้องแปดถูกต้องนี้คือเหลี่ยมที่สี่ดังนั้นผลเหลี่ยมที่หนึ่งก็คือผลของทุกและก็เหตุก็คือเหลี่ยมที่สองเหลี่ยมที่สมก็คือผลเหลี่ยมที่สี่ก็คือเหตุดังนั้นเราจะพูดง่ายๆว่าคือผลก็เหตุผ ล, ผล ก็เหตุเห e ja er, ็นไหมเรียงที่หน hmm? ึ่งผลเรียงที่สองเหตุเรียงที่สามผลเรียงที่สี่เหตุทนี้ต้องเอาผลไปดับเพตุพอเอาผลไปดับเพตเป็นอย่างไรเอได้เกิดทุกมันทุกเพราะอะไรทุกเรื่องอะไรไป็ที่ทุกทุกที่นอนไม่หลับนี่มันเรื่องอะไรแม้แต่เรากินกาแฟก็ไป หรือว่าไปดื่มอะไรที่มันใจในในในสิ่งเสพติดเข้าไปเอ๊ะทำไมมันนอนไม่หลับ แล้วก็จะยึดแล้วอแล้วไปอยากก็ทําไม่แค่มีเงินพอแล้วปัญหากก็ทําไม่นี่นอนไม่หลับเพราะอะไรเหตุสา เ, เหตุเห็นมันมาจากไหนดูข้างไหนดิดูในจิตบ้างว่าเหตุนี่มันมาจากไหนเอามาจากอยากมันมีตัณหาเนี่ยมันอยากมันอยากที่จะมีอยากที่จะมีอยากที่จะมีแต่และพ้อมมีขึ้นมาเรื่ยช่วยไม่ไหวเอเมนไหมมันก็เลยช่วยไม่ไหว นี่แหละเหตุตัณหามันเป็นเหตุอวิชามันเป็นเหตุมันเป็นเหตุกันดังนั้นทีนี้ในปัญจมุกบาทมานั น, นก็เหตุผล เ, เหตุผลเหตุผลเหตุผลเหตุผลดงนั้นแต่ต้องไปดับเหตุทุก ต, ต, ตัวต้องไปดับที่เหตุถา้าดับที่เหตุได้นยังไงไอ้ผลนั้นมันก็ดับโดยตัวทุกนั้นก็ดับนี่อย่างนี้นี่คือเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันี่สามเหลี่ยม สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยอะไรสามเหลี่ยมก็ภาลัตนาตรัยที่สามเหลี่ยมนะภารัตนาตรัยพระพุทธพระธรรมประสงค์พระพุทธพระธรรมประสงค์อในพระพุทธเป็นยังไงพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้ามีอะไรมีวงกลมในพระธรรมคืออะไรพระธรรมก็คือวงกลมพระอริยสงฆ์คืออะไรพระอริยสงฆ์ก็คือวงกลมเห็นไหม พระพุทธเจ้าพระองค์มีจิตว่างในจิตว่างมีธรรมชาติที่สมุเย็นนั่นแหละคือจิตว่างจิตปล่อยกายปล่อยเวทนาปล่อยจิตปล่อยธรรมชาติทั้งหมดแล้วอยู่กับธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนพระพุทธเจ้ามีจิตว่างพระธรรมคือต้นเดิมของจิตว่างต้นเดิมของจิตว่างก่อนที่จะมีโลกก่อนที่จะมี ดวงอทิตยดวงจันทร์ดวงดาวมีจักระกะวาลทุกอย่างสงบเงยน็นว่างสงบเงยน็นแต่เด็ดแล้วเป็นยังไงนี่ว่างสงบเงย็นนั้นนจะคลอดออกมาเป็นดวงทิศ ด, ดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่ออะไรเนี่ยคลอดออกมานี่แหละสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นในสิ่งที่มีนั่นแหละมันว่างมาก่อนในตัวเราเองนี่ มีทั้งกายมีทั้งจิตเราก็ค้นหาค้นหาก็าค้นไปค้นมาค้นไปค้นมาเอ้ามันไม่มีอะไรนี่มันไม่มีอะไร น, นไไรันว่างจากตัวตนเนี่ยวนี้ก็ค้นหากันเลยเดี๋ยมีคนหาว่าไอ้มนุษย์คนแรกน่ะมันมาจากไหนอะไรโอ้ยมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนี่มันอยู่ที่จิตนี่ต้องค้นหาที่จิตถ้าจิตเนี่ยพระธรรมก็คือจิตเดิมจิตเดิมแท้ ก็คือจิดว่างทีนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบจิดว่าค้นพบจิดว่าพระอรหันต์ที่เป็นพระอริยสงฆ์แทนก็ค้นพบจิดว่าฉะนั้นในพระรัตนตรัยพระพุทธประธรรมพระสงฆ์บวกกันแล้วได้รับอะไรผลไม่ใช่สามไม่ใช่สามบวกกันแล้วกว่าเป็นศูนย์อ่านะในวงกมลมมเป็นศูย์ ศูนอะไรสุญญาตาว่างจากตัวตนนี่แหละคือสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเลิกเหลี่ยมมันเลยทีนี้กลมเลยไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรว่างจากตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากตัวตนนี่เราต้องเข้าดใจให้ได้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยฉะนั้นเราต้องปฏิบัติ อ้ามารียม ja ักไม่รู้แผให้เห็นอาเลียสัตย์เกิดสติปัญญาขึ้นมาเห็นอาเลยสัตย์เหลี่ยมที่หนึ่งเห็นอาเลยสัตย์เหลี่ยมที่สองเห็นอาเลียสัตย์เหลี่ยมที่สเห็นอาเลียสัตย์เหลี่ยมที่สี่นี่พอเห็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ไปสองเหลี่ยมโอเห็นในพระพุทธใหจิตของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไงพระธรรมคืออะไรมาจากไหนที่พระพุทธเจ้าค้นพบ ระอาดียสองนั่นคือใครสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมไปไปมามาไปอยู่ในวงกลมหมดนั่นคือสุญญตาป ร, รมาโนดา ร, รักุญญตาว่างว่างว่าว่า ง, างจนไม่มีอะไรวา่างอีกแล้วนี่แหละคือความว่าง